นี้เราก็ไม่ได้มีทางที่จะได้ฟังเทศการบอกการสอนจากพระพุทธเจ้าหเหมือนสมัยสองส0พปีที่ผ่านมาที่เกิดพระหันที่เกิดสงข์ขึ้นมันก็เป็นไปไม่ได้การบรรลุธรรมสมัยนั้นเกิดจากการฟังเทศ5เป์ซ็นเป็นพระรหันก่อนมาถือบวชทีหลัง ก็มีจำนวนมากอย่างเอตัตะคะ80ลูกส่วนมากเป็นพันธุก่อนบรรลุธรรมก่อนเจงถือบวช้วยเอหิภิกขุอุปสัมบทาพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงให้การอุปสมบทแก่ภิกษุเองสังเกตจากการให้อุปสมบทเอหิภิกขุอุปสัมบทาเพียงกล่าวว่าท่านจงเป็นภิกษุว่าเถิด เราทำไว้ไหนเราตัดไปหรือแล้วท่านจงเป็นผู้พิทผภะจันทร์ให้เป็นที่สิ้นทุกข์เถิดนี่คือผู้ที่อยากไม่ที่สุดแห่งภูมจันทร์คือเอภะละหัน ah ถ้าผู้ที่เป็นพระละหัน์แล้วก็บอกว่าท่านจงเป็นผู้พิทธรรมทัานเถิดนี่คือเอหิภิกขุอุปสัมบทา เราไม่มีโอกาสเช่นนั้นเลยไม่ได้ฟังธรรมแล้วก็ยังมีธรม ร, รมําสอนของพระพุทธเจ้ามากบายแล้วเอามาสวดบายสาธยายเหมือนกับเราได้ฟังสมพุทธเจ้าเลยทีเดียวโดยจึงมีวัดปฏิบัติในการสวดมีหนังสือมีตำราเอาออกมาจากพระโอษของโพโตองเอง มีพระมหาขจัปปะเถระเป็นผู้รวมจำกระด away พระอนุ์จำแม่นที่สุดเลยพระพุทธเจ้าแสดงทรหน้าที่ใดาอานุ์จำมาได้หมดเพราะเป็นพุทธอุปถาขอพรจากพระพุทธเจ้าว่าพพระพุทธเจ้าไปแสดงทมที่ใดขอให้ข้าพองติดตามไปด้วย ก่อนที่เป็นพุทธัูชาเลือกมาพระุทธเจ้าถามว่าเธอทําไมจึงถามเพียงนั้นขอเช่นนั้นเพราะว่าอาอนน์เป็นพุทธัูชาเมื่อถามอะไรพระุทธเจ้าจะยังทำที่ไหนเรื่องอะไรไม่รู้ก็ไม่สมควรที่จะเป็นพุทธบูชาจึงได้จําแม่นมาใส่ใจเรียกว่าบันทึกไว้ในหัวใจ เ่อถึงคราวทําสังขยนาล้อยคลองทําคําสอนขึ้นมาก็ต้องขาดพระดลไม่ได้พระดดลก็มีความสําคัญให้เขาที่ทํำสังขยนาพระมหากรส ป, ปะเถระเจ้าได้เป็นประธานในหมู่สงฆ์เลือกพระเรถระทุกเป็นมารนทั้งหมดมารวมกันต่างรูปต่างองค์ก็จํากันมาแม่นในทางใดสาธิบุตร พระโมกันลาดาพระอุบาลีพระดุลทะแม่นอย่างไดเขาจำกันมามาพูดให้ฟังแต่พระอนนต์ยังไม่เป็นพระมหาไดยแต่ว่าขาดไปได้มาคัจพะจึงเว้นไม่ได้ต้องให้พระอนนต์ปฏิบัติธรรมเพื่อจะทำสังฆาตาราอนนทก็เริ่มปฏิบัติธรรมเอาจิงเอาจังน้าด้ำควาเขียดตัางงที่รู้มากจาแม่นเหลือเกิน แต่ก็เอาสิ่งที่ตนรู้มาไต่เต้าไปแม้แต่การทําทุกขจกิจอาวาเป็นแบบอางเอามาสอนตัวเองทั้งผู้เจ้าเอาทั้งความรู้ทั้งการกระทําให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในคืนนั้นบางทีก็พระอรหันต์ทั้งหลายมาถามเป็นไงอนนุนขอเวลาขอเวลาเมื่อก็เราทํานาหรืออีกไม่กี่วันกําหนดได้คงจะสําเร็จ ถามกันว่าใกล้เสร็จหรือยังประมาณสองสามวันาราก็ตอบเพราเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงเร่งเข้าไปจนถึงแสงเงินแสงของจะขึ้นแล้วทั้งคืนนั้นก็คิดอะไรบ้างทั้งไม่หลับได้นอน ไ, ได้ผกได้พอ น, อนเราก็ขอวยีบซะตัวกรนะดัง <c oughs> ใเหมือมนเราเหนื่อยใช่ไหมเราต้องมีฉิตที่ยีบได้ อ น, นอนหายใจลู้สึกตัวได้ทานลองก็ถือโอกาสฉชนั้นในขณะที่พระ น, นนทะ์นะกํับหลังเล่งอยู่นั้นนะไม่ได้แต่งใจเลยเล็กอเอาความรู้เอาการกระทาเอาอะไรมาแต่ใจไม่รู้จักวางงั้นลองตาไปพูดกับโยมเอาว่านใจต้องวางนะเดินอยู่นี่วางใจนะอย่าไปให้มัน อามีอะไรเกิดขึ้นในใจเพื่อจะอยากลู่อยากเข็นไม่ต้องอย่างนั้นนะวางใจลู่ซื่อๆไปอนอนก็วางใจหลงนอนนยีบสักหน่อยก่นนะ็น่าพอเอ็นหลังหัวยังไม่ถึงหนอนได้บรรลุธรรมตอนท่านเลยอันนี้คือไม่ใช่ความรู้เป็นการทำใจเป็นการทำใจก็ทันกับ ทำสังกานาเป็นพระอรหันเกิดขึ้นเอเฮเป็นอ่ะเรียกว่าขีณาศพทำสังกานามาพวกเราก็เอาคําสอนมาช่วยส่วนหนึ่งที่เรามาสอนตัว อ, อย่างเราสวดอะไรคือสติอะไรคื อ, อ, คอกายอะไรคือเวทนาอะไรคือจิตอะไรคือธรรมทำยังไงมาจาก พระพุทธเจ้าทรงสองสอนเสมือนว่าเราได้ฟังธรรมพุทธเจ้าอย่าไปน้อยเนื้อตามใจไม่มีการไ ม, ม่เวลาเลยถ้าอยู่กับเราอยู่แล้วเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ประกอบอายุหลงตางนี่ก็ได้ฟังได้เห็นทันเห็นอาจารย์ตั้งแต่อาจารย์พุทธทาส อาจารย์หลวงพ่อจเจ้าคุณหลายหลายองค์หลายหลายรูปที่เคยฟังจ่ไหมก่อนกระตือรือร้อนคือรีบด่วนที่สุดในการศึกษาเรื่องนี้นะ<อ>เพราะดูแล้วบ<อ>างครั้งก็ตกใจอุตห์บำรงคะสองระสองก็ทำผิดอะไรต่างๆบางทีก็ไปขึ้นบ้านผู้หญิงชาวบ้านต้องงัดกันไปไล่ เคยไปไล่พระออกจากบ้านผู้หญิงแต่จับไม่ได้เขาหลีกไปก่อนบางทีก็เห็นพระไปจับปลาในสะกลางคืนจับปลาในสะชาวบ้านที่เกี่ยวข้าวขึ้นใหม่ๆอย่าังไม่จับปลาในบ่อเขาพระก็พากันไปจับเอาปลาในสะเราไปหาขวายตอนเย็น เดินไปเห็นผ้าเหลียงวางอยู่หอบสระเอาไว้อะไรนะ้อเดินไปดูเห็นพระงมป่าอยู่สามสี่ ล, ลูกเราก็ต้องมือมมว่าลูกหัใจเราโอ้ยเราสาวํมลงสร้างว่ดสร้างว่าให้พระมาอยู่เป็นงีงนะ้องอะไรอะไรคือพระ อ, อะไรคือธรรมะอะไรคือบาปคือบุญนะ้องทาบุญแต่ไม่รู้จักบุญหัว บ, บาปแต่ไม่รู้จักบาป อยากรู้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์มันคืออะไรพระพุทธเจ้าเป็นไงไพระธรรมเป็นยังไงก็การบ้าทเกิดขึ้นจึงรีบๆหน่อยหนังตอนนั้นรีบจึงมาศึกษาตั้งจะอยากรับผิดชอบเรื่องนี้กันอ้เาเราก็เลยสมบูรณ์แล้วพวกเรามีอาจารย์ยกหลงตาก็ได้เอาจังๆต่อนหน้าต่อตาหลงปูเทียนสอน สงหาครูบาอาจารย์ก็มาตะเปตะปามาพบหลวงผู่เทียนเขาถูกกับความคิดของตนเองที่เป็นปัญหาไม่รู้ลองผู่เทียนก็ท่าทายเราก็เลยตั้งใจงเวลาหลวงพ่อเทียนแจแดงทำเราไม่ใช่ไปจำออกมามาทำตัวอยงสิ่งที่หลวงพ่อเทียนพูดเราไม่รู้สิ่งที่เรารู้หลวงพ่อเทียนไม่พูด เกิดการขัดแย้งไปคนละที่ทิฐทางสิ่งที่เรารู้หลวงพ่อเถียนพูดสิ่งที่เราไม่รู้หลวงพ่อเถียนก็พูดพ่อสัมผัสดูมันก็ไต่เต้าตไปไต่เต้าตไปเวลาทําวัดเช้าทำวั ด, ววดเยน็นเราฟังหลวงพ่อเถียนพูดมันก็มีในเราเราก็ทําได้สิ่งที่หลวงพ่อเถียนพูด ก็เหมือนสิ่งที่เราได้เรียนมาคือสมัยเป็นเนรเรียนทัก ร, รมชยันตีและก็มีในตำราอย่างสติคือความเลือกได้สามัญชยะคือความรู้ตัวแต่ก่อนคนณ่ะท่องเอาจำเอามันอยู่ในตำราภาษาโลกแก้วดลกคุณทองบัดนี้มามีสติไปในกายเนี่ยไม่ใช่เป็นการท่องเป็นการไปจุ่มไปต่อเอา มันมีเอ้าเหมือนจริงๆเมื่อมีสติเห็นกายก็เห็นจริงๆกายมีสติเห็นเวทนาก็เห็นเวทนาอ้ามันมีอยู่นี่เนาะแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่ารู้ในตำราจําได้กายเวทนาจิตธรรมตติปฐานหลักสูตรตั้งถ้ำชั้นผูอ้ามันมีอยู่นี่เราเห็นอยู่นี่เราอ่านตำรายอยู่นี่เรา มีรถชาติโดยธรรมล่กายานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นยังไงเราก็ทำไปเรื่อยตามแผนที่เหมือนเสื่อมันเราได้แผนที่เดินทางในประเทศไทยติดรถไปเราจะไปไหนดูแผนที่ทางหมายเลขกันเลยกี่กมเราก็ไปตามแผนที่ขณะที่เราเดินทางพับรถตั้งรถไปตามแผนที่แล้วก็เห็นอะไรที่มันผ่านเราไม่หลง แล้วก็ไปไปตามแผนที่ความหลงมัก็ดีที่ด้วยจะได้หยุดเอามาเพื่อจะไม่เสียเวลาเขามาดูเนไปอาการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันความหลงมันเป็นเรื่องดีนะอะไรที่ไม่ใช่สติเราก็รู้เออก็ผ่านผ่านบ้านโด้นเมืองนี้ไปเอาว่านนั่นไว้หลังเอาว่านนี่ไว้หลังผ่านความหลงขี่ข้างขี่หน ผ่านความสุขกี่ข้างกี่หนผ่านความทุกข์กี่ข้างกี่หนผ่านกิเลสตนณนานิวรณธรรมโกง่งเงาหอนอนความคิดฟุง้งซ่านกามละคะปฏิฆะมานาทิติอะไรเท่าไร่เท่าไหร่เหมือนกับเดินผ่านไปเหมือนกับเอาไว้หลังไปเรื่อยเอาไว้หลังไปเรื่อยอะไรที่ผ่านก็ลู้แล้วลู้แล้วลู้แล้วมันก็ผ่านมันก็เกิดการสะดวก บางครั้งมันก็ทางเตี่ยวบางครั้งมันก็จราจรติดขัดเกิดขัดขัดแองมากมายเกิดจากการปฏิบัติธรรมบางทีมันก็เป็นกีฬาเป็นการสนุกเราได้เทีนย่ว่งมันมีศิลปะเป็นธรรมชาติมันยิ้มสู้มันฮึดสู้ค้ายๆไมาไม่ใช่อ่อนเลยมันฮึดสู้ มันขวังกันหรือเมันฮึดสู้ขึ้นมาอะไรขวังกันไม่ใช่สติแล้วก็ขึ้นสู้ันได้บทเรียนดีดีการปฏิบัติครับสอนตัวเองเน่ประสบการณ์การสอนตัวเองเนะ้ก็ทั้งอาจารย์หลว ง, งพ่อหลวงปู่เทียนพูดทั้งเเราก็เห็นอยู่ในเราเราก็ทำอะไรที่รู้ อ๋อหลวงพ่อเทียนพูดเราก็รู้อะไรจะไม่รู้ไม่เป็นเหมือนหลวงพ่อเทียนสอนเราก็ทําให้เกิดให้เห็นแล้วก็เป็นงานเป็นการเป็นงานเป็นการจริงๆในการปฏิบัติธรรมเหมือนหลวงตาพูดเมื่อวานนี้การที่เกิดจากการศึกษาก็เห็นการเห็นเวทนาเห็นจิจเห็จทำเห็นเป็นรูปมาทำเห็นเป็นนามาทำก็ได้หลักได้ฐานเหมือนกัน เหมือนการหาความเป็นธรรมก็ได้ความเป็นธรรมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปก็เล่าเรื่องอารมณ์เล่าเรื่องทางผ่านมันก็ผ่านได้จริงๆนะไม่ใช่ว่ามันจะมีอยู่ในเราเสมอไปสิ่งที่มันมีมันก็หมดไปสิ่งที่มันไม่มีไม่เคยมีมันมีขึ้นมานี่คือการปฏิบัติธรรมไม่มีสติไ่ก่อนปฏินี้ก็มีสติ เป็นไปเกินทุกอย่างปัจจุบันก็ไม่เป็นไปกับเขามันคิดก็ไม่ได้ไปตามความคิดมันสุขก็ไม่เป็นไปตามความสุขมันทุกข์ก็ไม่ได้เป็นไปตามความทุกข์อะไรที่มันเคยเดินไปต่างๆมากมายภาระปัญหาอะไรต่างๆมันก็ไม่เป็นเหมือนเก่ามันไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนเราเลยสรุปมาบอกมาพูดว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ให้ค่ามัน มันสุขก็อยากให้ข่าความสุขมันทุกข์ก็อยากให้ข่าความทุกข์มันหลงก็อยากให้ข้าความหลงอะไรที่มันมีในลดในชาติไม่ต้องเป็นลถเป็นชาติเป็นกัมมันความโกรธก็มีลถวางคนก็ชอบความโกรธตัดทิ้ใจไป ท, ทาวความโกรธมันทุกข์ก็มีลถตัดทิ้งใจไปทำความทุกข์มันรักก็มีลดตัดทิ้ใจไปทำความรักมันชัางก็มีลดตัดทิ้ใจไปทำความชัง เพราะเรามีสติหรอมันรู้ชื่ออ้อาวไปก่อนมึงก็มีค่าสําหรับเราสร้างอะไรเคลื่อนตาพอมารู้ ช, ชื่อไปก่อนเข้าทางไว้ก่อนรู้ชื่ อ, อไปกลายเป็นเรื่องสนุกไปเลยการปฏิบัติธรรมมันเห็นของจริงที่เกิดกับเราให้แต่การหลอกเราก็หลอกตัวเองให้แต่การรู้เราก็รู้ตัวเอง เห็นไปปฏิบัติทำไปเห็นรูปเห็นธรรมเห็นอาการของรูปเห็นอาการของนามผ่านไปอย่างนี้ปฏิบัติทำไม่ใช่ไปเห็นสีเห็นแสงเห็นนิมิตอะไรต่างๆเห็นพระพุทธเจ้าเดินมาอะไรก็ตามนั่นเป็นนิมิตแล้วผู้ใดเห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นอย่างนี้ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าก็เอาไปสอนตัวเรา อ๋อวิธีที่สอนตัวเราสร้างสีแวดล้อมมาจากตัวเองให้ดีๆการศึกษาทุกกรณีสารพัดเรื่องที่มันจะเกิดกับการปฏิบัติไม่เหมือนเราอยู่เฉยๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเวลาเรามามีสติปรากฏว่ามันคิดมากอะไรก็สุขอะไรก็ทุกข์ลักเข้ามาทำให้เราหลงทางได้ ก็มีอาชีพอาธรรมทั้งหลายมันก็คลองเรามาดานรสชาติของอาธรรมมันก็ติดสุบูรีอะไรต่างๆเคยอะไรต่างๆก็ติดกันมาพอมาลู่าลู่เนี่ยมันเหมือนกับมาซ่อมการมีแผลในใจเคยรักเคยสูบเคยผิดเคยถูกเคยดีเคยชั่วมาซ่อมมาลู่เหมือนก็บซ่อมลู่ที่ใดก็ฟิตไป ลู่ทก็ฟิตใหม่เพิตใหม่มันเป็นอย่างนี้สร้างสีวัดล้อมไปเรื่อยๆไปเรามาอยู่ในลูกขโมลว่าอาจารย์พระสงฆ์ทั้งหลายมาอยู่ในลูกขโมลอยู่ป่าอนาคตเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกลูกขโมนคืออะไรคือขูดเกาขูดเกาคือไรทำให้เราเชืเช่อมแสงฝนตกแทนที่เราจะทุกข์มันไม่ใช่เรื่องทุกข์การปวดการเมื่อยการไม่สะดวกสบายไม่ใช่เราอ่อนแอ ทำให้เราเชื่อมแข็งเคยสมมติตัวเองสมัยหนุ่มๆเดินทุง่งยยาจงเชียงใหม่เห็นเราเดินทุง่งนี่มวนไปพักที่สวนเยี่สวนส่ะสวัสดีจำอะไรหรอเด็กใกลวัดดุมงเขาเกิดสะตาเลยลูกนี่ยวนไปห้าลูกไปปรากฏเขาก็ให้บ้านพักแต่เราไม่พักเราถือลูกขโมยวัดอยู่คนไม้เป็นาปากกวัดปรากฏฝนตกทั้งคืน เจ้าของบ้านก็กลางล้มมาเอาล้มมามาช่วยเจ็บของขึ้นบ้านเราไม่เจ็บเราไม่ไปให้ฝนตกก็เปียกเนละแต่เปียกข้างบนมันไม่เปียกแต่น้ามันไหลหลากมาแล้ก็เปียกทําไงก็เอาผ้ากีวรเอาผ้าสังขารติใส่ในบาตรเดิ้ลไว้แต่ผ้านุ่งก็เอาก้อนอิดโบรานเขาก้อนใหญ่เอาวางแต่โพกก้อนหนึ่งพอนั่งให้ตัวไม่โจมน้ํา แล้วก็เอนไปเพียงบาดเอาบาดเอนไปก็นอนนอนไม่ก็เบียกน้ำไหลผ่านท้องไปเลยแล้วก็ทุกไหมไม่ทุกก็สมมติว่าเอา้าเราเป็นกบกบเขาอยู่ในน้ำตลอดพบตลอดชาติเขาจังอยู่ได้เราเป็นกบสักคืนหนึ่งจะเดืยวไม่ได้เลยก็สนุกไปเลยนอนเบียกนนันเราก็อาจจะเปียกพระคุณเจ้าพระสองฆ์อาจจะเปียก นั่นก็นสมมติไปเป็นกบไปซะไม่ได้ตลอดคืนตลอดปีเอาเป็นข้างเป็นข่าวไปขูดเขา่าสุดดงไปว่าขูดเขา่าเคยเป็นทุกข์ไม่ทุกข์เลยเคยหลงไม่หลงไม่มีรสชาติของความทุกข์มีเตจิติมีเตสัมชัญญะทุกกรณีนะสร้างสี่เวทลอ้อมขูดเกาตัวเองไปเรื่อยๆตรงไหนที่มันจะผิดเพี้ยนไปมันจะเกิดพบเกิดชาติเราก็รู้อย่างนี้ปฏิบัติธรรม สนุกดีจึงต้องประคตตัวเองทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกบางทีเกิดความสุขความสบายเกิดความหิวเกิดความอิ่มรสชาติอาหารชอบในรสที่ไม่ชอบเราก็เกิดทุกกรณีที่เราทำให้ใจิตใจเราเปลี่ยนแปลงไปจะให้มันไปเปลถม่มนรสไค่าจืดไปเลยให้มันจืดซะรสชาติ สร้างสีวิตรอมบ้างสิ่งภายในก็สร้างสิ่งภายนอกก็สร้างให้ประกอบกันไปเหมือนพระ อ, อนนท์เอาจริงเก่าจังจนหน้าดํามความเพียดเอาความรู้ของตัวเองเอาวิธีการปฏิบัติที่ได้หลักได้ฐานมาจากพระุธเจ้าเป็นเดนเป็นเศษที่พระเจ้าดุด่ามากที่สุดคืออานนท์จนถึงว่าเราได้สวด อ, อนนท์เราจะทํากับเธออย่างไม่เท่นุถนอมนะ เหมือนช่างหม้อที่ยังทำกับหม้อยังเปียกยังดือดจู๋เราจะขนาบแล้วขนาดปีกไม่มีหยุดถ้าเธอมีเจณนมีมรรคผลทีพผ่านเธอจึง้นอยู่ได้เพราะนนคือไข่ดองก็คือลูกสุโกธนะน้องพระเจ้าสุตูธนะก็น้องเอาจริงเอาจังจนถูกด่าถูกอะไรต่างๆแม้แต่ละหนุนพระเจ้าก็ด่ามากที่สุดไม่เหมือนคนอื่นบางทีก็ลหุลน้อยใจ ไม่มาจัดเข้าพระเจ้าก็ให้เพื่อนเขาลาหนุนไปเรียกมาตั้งแต่สมัยพระองค์ดวเพียรอยู่พุทธคยาเป็นเด็กเลี้ยงควายก็มองเรือ ว, ว่าน่ารักแต่ไม่มีพวกมีแม่มารับจ้างเลี้ยงควายกินนมควายมาเล่นอยู่ที่พุทธคยาสมัยพระพุทธเจ้าควาเพียอยู่ตัดเชืแล้วอยู่แถวต้นสีมหาโพธ สวัยมุติสุขอยู่ที่นั่ น, นเด็กเลี้ยงขวายาก็มาเล่นด้วยพุทเจ้าก็บลูกผัโวโลูกม้าอบตัวถ้าจะเปรียบเทียบก็บ่าอลาหุ่นก็รุ่นเดียวกันนี่แหละไขมันเกิดเปรีัวเด็กก็มาเล่นด้วยทุกวันทุกวันตอนพระเจ้าหนีจากพุทธกยาไปป่าอิสิปตนะเน่เธอจนร้องไห้ว่าจะติดตามไป แต่พระเจ้าก็ไม่ให้ไปแล้วเป็นเดินแทงควายรักจ้างหายแล้วเราจะกลับมาคนที่สก็ได้พบกันจนได้ไปบวชถ้าบวชไปแล้วก็รุ่นเราเขาเดียกลาหนหลนตาจําชื่อไม่ได้แต่ก่อจําได้อยู่ชื่ อ, อยังไงก็ไม่รู้ลืมไปแล้วเข้าไปเดินด้วยกันพระเจ้าก็ดนด่าราหนก็ให้ไปตามมาอันนี้ก็ขดดาบแล้วขดดาบอีย เราไม่มีพระทธเจ้าขนาบเหมือนพระนนเราหมืนลกขนาบตัวเองขนาบตัวเองมันหลงแค่นี้ก็หลงหรือไอ้บ้ามันแทนี้ก็โกรธหรือแค่นีนก็ทุกข์หรือเนี่ยภาษาความคิดเฉยๆมันก็ทุกข์หรือเนี่ยไม่จะทาําอะไรได้บางทีก็ด่าตัวเองขนาบตัวเองสนุกสนุกด่าตัวเองสนุกโศนตัวเองบางทีก็ปอกแล้วกันเข้มแข็งขึข้นมาใจาเป็นยานหอบกระเป๋ากับบ้านจะแล้ว ป็นญานหรือว่าคิดไปเองคิดขึ้นมาเราไปเองหรือว่าอะไรมาอ้างบ้างอ่าไปก็ไปไม่เป็นไรอย่าให้เกิดญาณหอบเสื่อนะมีเหมือนกันอย่าให้หลงตาอยู่พุทธญาณมั่งเลยนะมีหลงตาองค์หนึง่งมาจากอาังเเผหนองสองห้องมาอยู่ด้วยตั้งใจมานะอาจารย์เราก็ตั้งใจมาแล้ววันนี้ผมเตรียมตัวเตรียมใจหมดแล้วมาแล้วเออให้ปฏิบัติทำไปเพราะปฏิบัติทำไปนะ ไม่ได้ถึงเดือนถึงอะไรเลยหอบปาดมาลากับบ้านเอา้าแต่ไหนหรอจะกลับบ้านจะกลับวัดอาจารย์ทำไมกลับละ่ะมันมีอนุตนันนี้หลายอย่างมันข้างคาจิตใจเนี่ยออก็ดีเนาะแต่เมื่อก่อนมาก็บอกว่าทำอะไรหมดแล้วมาปฏิบัติว่ามาปฏิบัติทำไมจึงมีอะไรมากมาย มันคิดกันมาอะไรอย่าไปเชื่อมันนะความคิดเน่ันความคิดกันมาก็หอบบาดไปความคิดกันมาแบบเหมือนก็หอบบาดนะมันเป็นใหญ่ขนาดนั่นหรืออันความคิดอน่ะดูดีดีนะดูดีดีดูนะไม่ใช่ใไปตามมันบบถ้าเราตามความคิดเสมอไปมันจะมีที่อยู่หรือความคิดเี่ยมันคิดึ้นมามันเหลือเกินนะอย่าอย่าตามมันไป เทศได้ฟังพูดได้ฟังเอ้าถ้างานพ้องมันมไปแล้วบ่กับพุ่มบาทขึ้นไปกติเองไอ้ความคิดมันหลอกเป็นยานหบบาทกับวัดหอบกระเป๋ากับบา้านเอาชีดมันหลอกระวังให้ดีนะ อ, อะไรก็หลอกเราได้ดีที่สุดคือความคิดเนี่ยไอ้ยังมาลู่ทันหลวงปู่เทียนบอกว่าบานเป็นตางฑ์จิตพอลู่จักจะลู่ทํานามทมจบอารมณ์บางต้น เห็นรูปทุกนาทุกรูปโรคนาโลกรูปสมมติลมบัญญัติตูบุญรูปบะอย่าไปรโยชน์ในความรู้มันรูปก็มีรสชาตินะไปรูปคำความรู้อยู่กลายเป็นวิปัจจุูไปเลยแต่พ่อเทียนก็บอกว่ายาไปความรู้นะอย่าไปความสุขนะมันมีความสุขเหมือนกันมันก็มีปัญญาปัจติสงบสุขปัญญาด้วยไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ก็บ้ากบโคก มาเจอรอยควายมีรอยน้ำก็ขังอยู่ก็ร้องลั่นลูกบโคกมีนะหลวงพ่อเทียนพูดโอ้ก็คือเราเลยแหละเป็นคนที่ทุกขี่ยากาปฏิวัติธรรมมีความรู้อะไรต่างๆก็อยากไปสอนแม่อยากไปสอนพี่สอนน้องมันก็จิตไปากไปาความสุขอยจะไปความรู้บ้าเน็ปเป็นทางจิต สร้างจังหวะให้ไวๆวหน่อยบำเพ็ญจิตพระเทเจ้าตัดจารุทางจิตทำจังหวะไหวๆไวจังหวะอาจจะไม่ต้องเป็นจังหวะ14จังหวะหลวงปู่เทียนสอนเราก็เพียงแต่ ว, ว่าบำเพ็ญดังจิตคือมีสติดูจิตมีจิตดูจิตในจิตนั้นก็มีการดูของมันในจิตมันก็มีสติดูขอันหลายวิธีการบำเพ็ญดังจิตเนีกก่ย อย่าให้มันหลอกตายความคิดมันลูก็เห็นมันมันลูกเห็นอะไรมันลูกที่มันเกิดจากจิตให้ไหวที่ว่ามุมเพนถังจิตอย่าไปอ่อนไปกัมมันมันตัวลูกเป็นหลักเลยค่ะค่ะว่ามันแข่งกันมันมีตัวลูกเป็นเจ้าเหลือนเป็นเจ้าของอยู่แล้วมันชิดขึ้นมาก็ลูกแต่ก่อนเขาชิดใหญ่แต่บัณฑิตสติมันใหญ่กว่าทำลูกไปรูกไปมุมเพนถังจิต จี๊จังหวะ ก, ก็ทําอย่างนี้อะไรมันเล่นจับหวเดินกลับมาทําบางเล่นกันบกจังหวะสนุกเด็กันเล่นรู้<อ>ถ้าเขาใดที่มันยังมีความง่วงนะอารมณ์บางต้นถ้า ม, มัง่วงหลวงพ่อเทยียงก็สอนหรอการบันร้อยข้างรูปแบบบางทีก็สอนมาสอนแต่ละรูปแบบเราก็เทก็สมัยก่อนถ้าก็ทํำนี่นะก็พระมีจังหวะที่หยิบเลย อ่าตอนน่ะฉบับเดิมเรางพระเทียมก็เปลี่ยนแลมาจะมาถึงแบบนหนแต่ก่องก็บอกว่าตีงนิ่งตีงนิ่งตีงนิ่งตีงนิ่งว่าไปด้วยนะเตีงนิ่งตีงนิ่งตีงนิ่งตีงนิ่งอ้าวมันเป็นภาษาเราภาษากลางเจ้าลักไหวนิ่ง เดีย๋ยวนี้ยังมีอยู่โศกปหลวงโอ้เห่นพเนาไว้นิ่งไว้นิ่งไหวนิ่ ง, ง, งต่อไปหลวงพ่อเรียนเลยเออมันก็บริกรรมเลยรู้เฉยเฉยอะรู้รู้เฉยไม่ต้องบริกรรมไปมาพูดตัดต่อมาต่มาเหลืออยู่เท่านี้นยังตัดอะไรไม่ได้วันสะบนูนแหววแดงไม่มีอะไรขวงกันตรงเป๊ะเข้ามาเลยตรงกับความรู้จึกเข้ามาบางทีเราก็เล่น ถ้ามึงวงนอนมากก็อย่ามาทำปกแปกเลยมันช่วยได้หลายอยา่างการเคลื่อนไหวไม่ใช่การเคลื่อนไหวปกแปกมันบริหารส่วนหัวใจส่วนต้นคอส่วนลำแขนมันได้ดีที่สุดเลยการประกอบความเพียนนี่มันบริหารหัวใจหัวปวดต้นคอลหลใต้อกเดินยินยนยย่งดีใหญ่วิธีที่ปฏิบัติแบบนี้นะมัน ไม่ใช่เสียสุขภาพนะหลองตาไปสอนสารัตนะ์เข้ามาตอนรับหลงตาที่จะนังบินบอกไปถึงที่พักก็บอกเราเลยว่าให้สอนแบบหลงพระเทียนนะจ่าเงินไม่ต้องสอนพราะนั้นเนี่ยเราจรึงมีรูปแบบไม่ล้าสมัยใช่ได้ทุกวิถีทางแล้วภาษาพุทธเจ้าสอนก็เวียงแการคู่แขนเข้า การเหยียดแขนออกการคู่แขนเข้าการเหยียดแขนออกไ ม, ม่มีสติมีสติขณะที oi, ่คู่แขนเข้ามาขณะที่คู่แขนเหยียดแขนออกไปมีสติการมองไปข้างขวามีสติการมองไปข้างซ้ายมีสติการมองไปข้างหน้าเดินหน้าถอยหลังให้มีสติวิธีนี้จึงเกิดขึ้นมาตามตำลาพระสูตรตัณปิฎกสติฐานจีนานก่อน ยุบหน่อพองหนอแต่ไปเจญ อ, อยู่ที่เมืองลาวก็เลยกลับมาชุมเมืองไทยก็เลยมาอยู่หลวงพ่อเถียนไปพูดตามมาเดี๋ยวนี้ก็มีการสอนกันน้องข่ายเป็นตุเป็นหลักจริงๆที่นั่นนะแต่ว่าข้ายังมีไว้นิ่งไว้นิ่อ ง, งอยู่เวลาจะฉันอาหารก็ต้องมีอยู่เอาเมือวางไว้เนี่บาดตักไว้ตะแนกฉันชกมือขึ้นมาตกบาทเอาข้าวมา ามอมาวางไ้ไปจับอาหารจับอาหารก็าวางยกเสปากอาหารถูก ป, ปากอมไว้ก่อนมือวางแล้วก็มานั่งหลับตาเขี้ยวเกือบสองชองั่วโมงยังไม่อยู่ทุกวันนะอาเนินพะเนาทั้งสองก็อยู่เวลาทาอาหารเนี่ยเขเป็นตไปส่งก ต, ติมีทางเนินจกกมกรมให้องน้ำห้องซ่วมอาหารที่เขาไปส่งก็ทำเป็น สำเร็จไม่ต้องไปขีดไปแบ่งมีก้างมีอัไรไม่ีถ้าเป็นปลาก็จับเป็นชิมใช่ไห้สามารถจับไปจะไ ป, ะไปไ ม, มาได้ปฏิตาไม่ต้องดูฝึกกัน เ, เป็นสองชั่วโมงหลวงพ่อเทียนเคยฝึกนั่นมาแล้วนี่ก็มีสติทานอาหารก็ธรรมาดาให้มีสติไวๆก็ได้ช้าๆก็ได้ไม่มีกฎเจนเราสอนตัวเราเองหาวิธีฝึกตัวเองไป แต่หลายอย่างที่มันทำให้เกิดสติสิ่งเวลาา้ล้อมันใดที่ทำให้มีสติเอามาใช้จากนั้นไม่แต่มองไปตาก็เห็นถ้าว่วงนอนรักมากาก็ทำไงจังหวะช่วไม่ได้ยืดตัวขึ้นมองยอดไม้ต้นเลยน้อไหนมองไปไกลท้องฟ้าโอ้กลางวันน้อกลางคืนน้อ เวลานี่เนาะทิศเหนื อ, อ, อทางนั่นทิศใต้ทางนี้แต่วันตกต่วนออ ก, กทางนั่นลำลำไปให้มันออกไปอย่าไปเลยเก็กลับมามากําหนดออกไปข้างนอกตั้งใจไปเข้ามาข้างในเข้ามาดูกายให้มันจำเนิจนานอย่าไปสยบกับจริงใดการปฏิบัติมีการพลิกแผงบ้างพลิกแผงตัวเองบ้างจะไปจนหาวิธีเหมือนช่างตกลมไม่ใช่ไปโจงอยู่ถอนลงมา บางทีไปจมกับความสุขบางทีไปจมกับความทุกข์ไปจมกับความผิดความถูกมารู้ซื่อให้ลังตาอ่านหนังสืออยู่เมื่อวันหนังสือที่อยู่หน้าสาหน้าธรรมศาสตร์ครับพี่มาการยานธรรมก็จะให้หลงตาไปพูดธมศาสตร์วันที่หกรกฎาคมให้สอนแบบการเจริญสติซื่อซื่อซื่อซื่อเออซื่อซื่อเนี่ย อย่าให้มันรสชาติลายบันลูซื่ซื่อรูซื่อซื่อไปรูซื่ซื่อไปมันดงแห่งความไม่ซื่อมัานมีมากมันมีรสเราจึงลูซื่ซื่อไปก่อนเอาบุกไปเลยตัวเนยซื่อซืซื่อซื่อไปรูซื่ซื่อไปเพราะเนี่ยมันจกเป็นหลักสูตรเป็นสูตรเป็นสูตรไปแต่ว่าที่ดูซื่อไม่ใช่ซื่อซื่ซื่อบื้อ มันเป็นการพัจนาที่สุดเลยกับว่ารูซื่อๆรูซื่อๆเด้ออาจึงเป็นทางผ่านได้ทุกกรณีถ้ามีรถม่ชาต์นก็ผ่านมาได้มันติดรูซื่อๆไม่มีค่าเลยกับอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจเราจนได้สูตรเห็นเป็นท่านเป็นตอนเห็นจังบะมีเช่นมีสมาธิมีปรรัญญา มีจินแล้วจึงรู้มีสมาธิแล้วจึงรู้มีปัญญาแล้วจึงรู้ใช่ไร้เราจึงรู้มันใช่ได้อะไรมันใช่ไม่ได้ก็รู้อะไรมันใช่ได้ก็รู้มันจึงจบไปเป็นหมวดเป็นหมไปในการศึกษาชีวิตของเรานะมันก็มีวิธีอย่างนี้การปฏิบัติไม่ใช่เรามาสมใจสมหาดุ้นเลาไปมันมีหลักสูตรคือกายคือใจเหล่านี้มีผิดมีถูกมีถูกมีทุกเต็มตัว ในชีวิตของเราสนุกดีทําไงเราจึงจะลู่วันลูม่มันล่วันมันขุดเพื่อว่านิสัยยังไงมามันจะลู่แบบนั้นเคยยังไงมาจะไปอย่างนั้นก็ลู่ชื่อๆเข้าไปลู่ชื่อๆ็ว่านี่คือการปฏิบัติของพวกเราถ้ามาทําวัดก็ดีถ้าไม่มาทําวัดก็ดีแต่ต้องนอนนะต้องกินเท่าให้อิม่มต้องพักผ่อน อย่ารีดตัวเองเกินไปการปฏิบัติทําให้พอดีพอดีเนีกินเข้าให้อิ่นอนให้พอไม่เป็นไรไม่ถือว่าผิดแน่นอนเน่ะพักผ่นอนเล็กหน่อยโดยเฉพาะคนจะจะไปรีดตัวเองเกินไปพักผ่อนความรู้จึกตัวมีอยู่ได้ทุกโอกาสแต่อย่าเอาความแก่มาอ้างอย่าเอาความเจ็บความปวดมาอ้าง อย่าให้ข้ามาันมีจิตเรื่อยไปเรื่อยไปเลื่อยไปนี่คือการปฏิบัติธรรมปฏิคือเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นรูปทั้งนั้นเปลี่ยนมาเป็นรูปทั้งนั้นถ้าไม่เปลี่ยนเป็นตรูปไม่ใช่ปฏิบัติเลยมันมีโอกาสได้เปลี่ยนมันเป็นรูปมากมากเยเหลือเกินเก็บตกมากมายความรูปตัวนี้ไม่ใช่ว่ารอคอยเมื่ อ, อไรมีจะเกิดขึ้นเมื่ อ, อไรจะเกิดไม่ใช่แบบนั้นอาศัยการเก็บตกนอกรูปแบบยิ่งดีใหญ่ ไม่ใช่มานั่งสร้างจังหวะเดินจังกรมจีจะรู้นอกรูปแบบยิ่งดีการมีสติเนี่ยเจงสอนตัวเองให้มากที่สุดพอเดินสอนไม่เท่าตัวเราสอนตัวเรา